3.2 เส้นทางสายธรรมเราไม่ได้เดินคนเดียวในทางสายธรรมเราไม่ได้เดินคนเดียวเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ด้วยแต่ปุถุชนมองไม่เห็นต้องเป็นพระโสดาบันก่อนถึงจะเห็นพระโสดาบันรู้แล้วว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราถ้าลดระดับลงมาถ้าเราฟังธรรมของท่านผู้ใดแล้วได้เป็นพระโสดาบันเราจะมีความรู้สึกว่าท่านผู้นั้นเป็นพ่อเป็นแม่เรา เวลาเราระลึกถึงท่านเหมือนท่านอยู่ในเลือดในเนื้อในจิตวิญญาณไปไหนไปด้วยกันไม่เคยทิ้งเลยเวลาเราทำไม่ดีท่านสอนทันทีเลยเราจะรู้สึกซาบซึ้งถึงอกถึงใจครูบาอาจารย์ลำดับถัดไปถึงจะสอนให้เราเป็นพระอาหารหันต์เราจะรู้สึกเหมือนท่านเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นเองใจมันจะผูกพันอยู่กับองค์ที่สอนให้เราเป็นพระโสดาบันเวลาเราภาวนาเรารู้เลยเราอยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งวันไปไหนไปด้วยกัน ทำอะไรผิดนิดหนึ่งท่านก็เตือนเลยเราจะเป็นลูกมีพ่อมีแม่วันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพ่อเราเราจะไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์จริงอย่างพวกเรานี่บางครั้งเราก็ศรัท ธ, ธาบางครั้งศรัท ธ, ธาถอยใจเรายังกลับกรอกไปมาใจของปุถุชนนี่กลับกรอกได้เป็นศรัท ธ, ธาที่ไม่มั่นคงเรียกว่าจนละศรัท ธ, ธาแต่ว่าพอเลือดเนื้อจิตวิญญาณของเรากับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมกับพระสงฆ์และครูบาอาจารย์รวมเข้าด้วยกัน จะรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเวลาเรากราบพระพุทธรูปเวลาเรากราบเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเรากราบเหมือนท่านยืนอยู่ต่อหน้าเราเลยเหมือนเรากําลังกราบลงที่เท้าของท่านเลยมันอยู่ที่ใจมันรักใคร่ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่มีว้าเหวพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเวลาพระไปอยู่ในที่น่ากลัวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไม่ว้าเหวเพราะจริงๆไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ดูยากนะ ที่จะดูจนใจของเรากับธรรมะเป็นอันเดียวกันดูจนใจของเรากับพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันเราจะพบเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันแปลกนะภาวนาแทบตายถึงจะเห็นนะปางตายแหละมันจะไปปางตายจริงๆรอดตายรอดปากเหี่ยวปากกาจริงๆตอนเกิดอารหัตตะมักนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆต้องสู้เขา